วิธีฝึกจิตแบบง่ายเพื่อพิสูจน์กฎแห่งกรรมภพชาติสังสารวัฏการเวียนว่ายตายเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจและความสืบต่อของจิตหรือวิญญาณนำสู่ความรู้แจ้งในอริยสัจเพื่อถอนอุเชททิฏฐิความเชื่อว่าตายแล้วสูญอันเป็นมิจฉาทิฏฐิที่ร้ายแรงและเพื่อสลัดความงมงายและความหลังเลสงสัยในธรรมและวิบากแห่งกรรมซึ่งเป็นสังโยชน์ข้อสำคัญที่ทำให้บรรลุธรรมไม่ได้ รวมวิธีขั้นตอนการฝึกเพื่อผลทั้งในการเข้าถึงธรรมและเพื่อสุขภาพที่ดีช่วยแก้โรคเครียดโรคนอนไม่หลับเพิ่มประสิทธิภาพของกายใจให้ดีขึ้นซึ่งจะส่งผลทั้งความเจริญทั้งโลกและทางธรรมต่อไปในทีน่นี้ท่านแนะนำทั้งวิธีฝึกกับตัวเองแบบง่ายๆจนไปถึงการจัดตั้งเป็นสถาบันจริงจังเพื่อมีข้อมูลที่ชัดเจนในแบบวิทยาศาสตร์ให้สังคมได้เชื่อถือ สิ้นความสงสัยและตั้งมันในธรรมด้วยความเข้าใจพลังของต้นกำเนิดแห่งกฎของธรรมชาติทั้งปวงอย่างแท้จริงได้ถูกต้องตรงทางต่อไปนะครับหนังสือนี้ท่านใช้ชื่อว่าวิธีฝึกสมาธิเพื่อติดต่อโอปปาติกะเขียนโดยอาจารย์พรรัตนสุวรรณอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิแห่งมหาวิทยายลัยสงของไทยผู้แปลและชราระพระไตรปิฎกอัทกถาดีกาฉบับมหาจุลา สำหรับชื่อหนังสืออาจทําให้หลายคนเข้าใจผิดหรือมองแง่ลบว่าไม่ควรสนใจเพราะไม่ใช่ทางดับทุกข์ก็ขอให้เปิดใจลองฟังให้จบก่อนนะครับแล้วท่านจะพบว่าแนวทางการสอนของอาจารย์พรนั้ น, นท่านอธิบายเรื่องพวกนี้มีความแตกต่างจากที่อื่นและนําสู่ความเข้าใจหลักปฏิจจสมุขบาทและความเข้าใจธรรมขั้นสูงต่อไปสําหรับคนทั่วไปในวงกว้างได้ง่ายขึ้นอย่างไร คนจำนวนมากที่เลิกนับถือศาสนาหรือเข้าไม่ถึงคําสอนได้จริงก็เพราะเชื่อว่าตายแล้วสูญจึงไม่มีทางเข้าใจกฎแห่งกรรมหรือภาวะแห่งนิพพานได้เลยแต่ครั้นบางพวกเชื่อว่าตายแล้วไม่สูญแต่ก็เชื่อแบบงมงายขาดเหตุผลสักแต่เชื่อตามกันหรือเชื่อแบบผิดๆเป็นมิจฉาทิฏฐิประเภทสัจสตาทิฏฐิซึ่งความที่ยังไม่มั่นใจอย่างแท้จริงหรือเห็นความจริงด้วยจิตของตนเอง จะเป็นวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยที่ฝังอยู่ลึกในจิตใต้สำนึกหรือจิตไร้สำนึกคือผวังขจิตเมื่อไม่กำจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปยอมบรรลุธรรมไม่ได้และไม่มีทางเข้าใจธรรมได้จริงเลยหลายคนจำเป็นต้องศึกษาให้เข้าใจเรื่องพวกนี้ถึงจะยอมเพียรปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกต่อไปดังนั้นคาสอนที่จาแนกแจกแจงให้เข้าใจง่ายแม้ไม่ต้องเห็นด้วยตาตัวเอง จึงยังจำเป็นสำหรับหลายคนการยอมรับอย่างสิ้นสงสัยว่าตายแล้วไม่สูนจำเป็นมากต่อการปฏิบัติธรรมแต่ก็ต้องรู้อย่างถูกต้องให้ตรงกับหลักปฏิจจสมุปบาทรู้แล้วต้องนำมาต่อยอดเพื่อพัฒนาตนให้ดำรงมั่นคงในอริยามรรคด้วยซึ่งแนวทางของอาจารย์พรท่านสอนไว้ครบถ้วนแล้วผ่านหนังสือจานวนมากที่ท่านเรียบเรียงไว้ สำหรับประสบการณ์ตรงที่ผมเผยแพร่ ง, งานของอาจารย์พรมานานก็เห็นชัดนะครับว่ามีผลให้คนจำนวนมากที่ไม่เคยสนใจธรรมเมื่อมีโอกาสได้ฟังแล้วชีวิตเปลี่ยนไปมากเข้าใจเรื่องบาปบุญและกฎแห่งกรรมและเห็นคุณค่าในการเพิ่มบุญละ บ, บาปสนใจศึกษาปฏิบัติธรรมจริงจังมากขึ้นจุดสาคัญของอาจารย์พรคือการเน้นให้เข้าใจพุทธวจนะหรือพุทธพจน์ในเรื่องวิญญาณเป็นรากฐานของสิ่งทั้งปวง และวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปตามหลักปฏิจจสมุปบาทซึ่งท่านมีคำสอนหลายระดับแบบง่ายขั้นต้นผ่านเรื่องเล่าเกี่ยวกับโลกหลังความตายเช่นในหนังสือชุดแววเสียงสวรรค์และโลกทิพย์ระดับกลางเช่นในเรื่องผีและเทวดามีจริงปฏิหารมีได้อย่างไรในระดับสูงเช่นเรื่องวิญญาณคืออะไรคาบรรยายพุทธปรัชญาและพุทธวิทยา ซึ่งถ้าหากได้ศึกษาครบถ้วนจะเข้าใจรากฐานแห่งสิ่งทั้งปวงจนเห็นชัดในความสืบต่อของวิบากของกรรมและพลังงานนามธรรมซึ่งเป็นต้นกำเนิดของทุกสรรพสิ่งได้อย่างไม่ยากเลยอันจะมีผลทำให้เข้าใจธรรมทั้งปวงซึ่งรวมถึงหลักวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้องมากขึ้นอีกด้วยนะครับวิธีฝึกสมาธิเพื่อติดต่อกับโอปปาติกะพรรตนาสุวรรณ เสียงอ่านโดยอริยะคุณชมรงผลดีจัดทาเพื่อเป็นธรรมทานโดยสรินยาอริยะชาติพดุงกิจและครอบครัวหนึ่งมกราคมพุทธศักราชส5 6 9อยเผยแพร่ต่อได้ทุกช่องทางไม่ต้องขออนุญาตชีวิตคนคนหนึ่งเปลี่ยนไปได้ด้วยธรรมะจะสะท้อนกลับมาเป็นแรงส่งให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปทุกทกด้านอย่างเป็นธรรมเช่นกัน